มาอยู่หิ่งห้อยเจอหิ่งห้อยไหมยังไม่เจอยังไม่ได้เข้าเลยอย่างนัตัวหิ่งห้อยเป็นตัวใช้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้ตัวหนึ่งพื้นที่ไหนฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรหิ่งห้อยตายหมดเลยหิ่งห้อยที่บินได้ตัวผู้ตัวเมียเป็นนอนกระดึบด๊บๆอยู่ที่พื้นแต่มีแสงเหมือนกัน คนกรุงเทพไม่มีโอกาสอยู่กับธรรมชาติน่าสงสารกรุงเทพนันกระทั่งดาวก็หาดูไม่ได้ละอากาศสมบกมากมากเลยตั้งแต่น้ำท่วมภาคกลางนะาโสบรบก็ถ่ายเทยมาชนบุรีนี่เยอะมากย้ายโรงงานย้ายอะไรมาอยู่ทางนี้เยอะแยะเลยกลือน้ำท่วม ไม่รู้หรอกว่าทังนี้ไม่มีน้ำเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะความต้องการของคนนะมันไม่มีที่สิ้นสุดได้อย่างนี้ก็ไปอ ย, อยากอย่างโน้นอะไรมันมีนิทานเรื่องของคนในวัดสมภารนนีะ่อยากจะชันน้ำชาร้อนๆใช้เนรไปต้มน้ำ นเนนี่อ้ขี้เกียจจะตายต้องไปต้มหนาวหนาให้ลุกขึ้นมาต้มน้ำไม่สนุกจาเป็นต้องลุกไปต้มน้ำเอามาชงชาถวายอาจารย์จะรินน้ำชาใส่ถ้วยนเนนก็นั่งดูไม่เห็นชันเลยบอกเห้ยมันร้อนเนี่ยให้มันเย็นก่อน <laughs> อเอา ทีกินน้ําเย็นก็ไม่บอกนล้วความต้องการนะแหว่งตะลอดเวลานะต้องการไม่มีที่สิ้นสุดพระเจ้าเลยสอนนัตติตันหาสมานัตทีพ่วงน้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีใหญ่กว่า ม, ะมะหาสมุทรเต็มมหาสมุทรของเราตัวนี้ใกล้เต็มแนละ้วเต็มไปด้วยพลาสติก ใหญ่ขนาดทวีปทวีปหนึ่งและวขวดพลาสติกที่พวกเราช่วยกันใช้นี่แหละก็โยนไปรวมกันอยู่ในมหาสมุทรความต้องการมันไม่จบนะเพิ่มไปเรื่อยๆนี่เรามาหัศภาวนานะเรื่องของโลกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ธรรมะมีที่สิ้นสุดถ้าใจเราหมดความอยากหมดความยึด ในกายในใจนี้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงจุดที่สิ้นสุดความทุกข์กันตรงนั้นแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่มีความสุขมากยันแนะนำนะพวกเรารีบมารู้พระอราหันต์ให้เร็วที่สุดนะจะได้มีชีวิตที่มีความสุขชีวิตอย่างพวกเราเนี่เต็มไปด้วยความทุกข์มีความอยากเกิดขึ้นที่ไรมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกที มีความยึดถือในกายในใจเกิดขึ้นที่ไรมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีจิตนะเข้าไปยึดถืออารมณ์ยึดอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยเห็นนะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะว่าจิตของเราเข้าไปยึดกายยึดใจยึดทุกสิ่งทุกอย่างไว้เมื่อมันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็ปลดปล่อยตัวเองจากความยึดถือไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ไม่ได้ พระพุทธเจ้ามาสอนให้เราหัดดูให้รู้เท่าทันใจมีความอยากใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาใจเข้าไปยึดถือสิ่งใดก็ยึดทุกข์เพราะสิ่งนั้นท่านสอนสมัยโบราณท่านสอนยกตัวอย่างก็ยกแบบโบราณบอมีวัวก็ทุกข์เพราะวัวมีนาก็ทุกข์เพราะนาคนสมัยโบราณวัวกับนาหรือไกว์นี่คือทรัพย์สิน คนไหนมีไกวามากก็รวยมีนามากก็รวยใครๆก็อยากมีไวามีบัวอยากมีนาอินเดียใช้บัวเยอะมั้งมีบัวพรุทธเจ้าก็บอกมีบัวทุกพระบัวมีนาพระทุกพระนาใครๆก็อยากมีให้มากท่านก็บอกไอ้ของที่อยากมีนั่นแหละนำความทุกข์มาให้ขร้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่สิมพุทธาจาโร ที่ทำผับปล่องมีผู้หญิงคนหนึ่งนะท่าทางเป็นเศรษฐีนีคนทูบมาเยอะมากเลยเราก็นึกว่าแกศรัทธาแรงกล้าคนทูบมาถวายพระเยอะขนาด น, นี้เป็นกองเลยนะกองใหญ่ๆมาถึงก็ไปบอกหลวงปู่หลวงปู่เป่าเปาเดี๋ยวจะเอาคืนนะไม่ได้มาถวายหรอกให้หลวงปูเป่เป่าเป่าทําไม เอาเวลาเปิดร้านนะจะจุดทูบทีละกับมือเลยนะให้รวยให้หลวงปู่เป่านะจุดทูบแล้วให้รวยเอารวยแค่ไหนล่ะหลวงปู่ถามเมืนะ่อฟังอย่างนี้ยิ่งคึกเหิมนะสดแสดงว่าโอ้หลวงปู่ทําให้ได้เยอะเลยทูบหนึ่งดอกคงได้หนึ่งล้านอะไรเงี้ยเอารวยเยอะๆหลวงปู่รวยหลวงปู่ก็บอกว่า อย่าลืมนะถ้ารวยนะผู้ร้ายมันจะมาหานะอคนจนๆผู้ร้ายไม่ค่อยไปปล้นหรอกคนรวยๆเนะี่ยผู้ร้ายจะมามันอันตรายนะรวยมากไม่ดีหรอกงั้นหลวงปู่เปล่าเพิ่มหน่อยเอากันผู้ร้ายด้วยอว่าไงมันฉลาดฉลาดนะฉลาดแบบไม่ฉลาดเลย วัดยังโดนขโมยเลยไม่เป่ากันผู้ร้ายได้ไง <c oughs> ความอยากใช่ไหมอัพไปเรื่อยๆอยากรวยเดี๋มาถ้ารวยแล้วก็กลัวผู้ร้ายก็เป่ากันผู้รา้ร า, ยรายกลัวไฟไหม้คงเป่ากันไฟด้วยถ้าน้ำจะท่วมต้องเป่ากันน้ำท่วมด้ยมันไปเรื่อยอ่ะไม่จบไม่สิ้นหรอกแล้วมาจบลงที่ใจเราให้ได้นะโลกไม่มีวันจบ ใจของเราถ้าศึกษาธรรมะนะมีถึงจุดจบของความทุกข์ทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงนะจะวันหนึ่งมันขาดพึงออกจากใจใช้คาว่าขาดพึงเพราะเวลาขาดนี่ขาดจับพลันขาดในพริบตาเดียวไม่ใช่ค่อยค่อยขาดเวลาจิตจะล้างกิเลสล้างในพริบตา มเมื่อช้าหลวงพ่อสอนบอกว่าให้มีอินทรียสังวรศีลไปกินข้าวทำได้บ้างไหมเห็นกิเลสบ้างไหมตอนกินข้าวใครถูกคนอื่นแซงหน้าบ้างมีมหมยกมือซิมีมีโอ้มีหลายคนใครแซงหน้าคนอื่นไม่ต้องยกมือ <c oughs> เป็นตัวอย่างไม่ดีเหนืยวภูมิใจทุกวันมาแซงคนอื่นจะได้ยกมือตั้ง ถูกแซงแล้วรู้สึกไงรื้มใจเขาหงหิวมากที่บ้านโงอดอยากอย่างนี้เรียกว่ากระแนกกะแหน่แล้วจิตเป็นอกุศลลล้วเขาหงหิวเรายังทนได้ให้เขาก่อนไม่ชัดใจเป็นอกุศลนะใจไม่เป็นอกุศลก็อย่างน้อยๆก็กระแนกกะแหน่แรงหน่อยว่าเขาอะไรว่าเขาสีนขาด แคนั้นกระน่ศีลก็ขาดนะแน้กะแนปุ๊บสร้างศัตรูแล้วชีวิตวุ่นวายแล้วนะอยู่แบบไม่มีศัตรูสบายแต่นะบางทีมันก็เลี่ยงยากนะระหว่างจริยธรรมความถูกความผิดอะไรนี้มันต้องมีถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดที่อยู่กับโลกก็เลี่ยงการกระทบกระทั่งยาก พระพุทธเจ้าอย่างเลี้ยงไม่พ้นพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่ทะเลาะ ก, กับใครนะไม่ทะเลาะ ก, กับโลกแต่โลกชอบทะเลาะ ก, กับท่านโลกก็คือหมูสัตว์คนอื่นชอบมาทะเลาะ ก, กับท่านท่านไม่ทะเลาะ ก, กับใครพวกเราอยากมีชีวิตแบบไม่ทะเลาะ ก, กับใครไหมมีวิธีนะอยากรู้ไหมให้เราสร้างคุณงามความดีมากๆนะจนวันหนึ่งไปเจอพระพุทธเจ้าสักองค์แล้วก็ตั้งอธิษฐานเลย วันหนึ่งข้างหน้าขอเป็นพระเอตทัพคะทางไม่มีศัตรูในศาสนาหนึ่งมีองค์เดียวใครๆได้ยินชื่อพระสุภูติพระสุภูติพระสุภูติคำหนึ่งอยู่ในป่าก็เข้ามาในเมืองชานชานเมืองอะไรเงี้ยพระเจ้าพิมพิสารไปเจอเข้าก็บอกท่านว่าท่านตักฝนอยู่ เดี๋ยวโยมจะสร้างกุฏิถวายเสร็จแล้วลืมท่านไม่ได้เจตนาแบบนักการเมืองนะสัญญาล้วลืมอะแต่ว่างานท่านเยอะจริงจริงท่านลืมฝนไม่ตกเลยันไม่ตกอีกเลยเชอนวันหนึ่งท่านนึกได้วันนี้ท่านเสียสัจจะกับพระอราหารันต์องค์นึ่งท่านรีบไปสร้างกุฏิให้กุฏิกขไม่แพงอะไรนะกุฏิไม่ได้ติดองติดแออะไรหรอกหลังคามมงญ้านี่นะ ตีไม้ลังคามุงย่าพระสุภูติเข้าไปนั่งในกุฏิแล้วก็อธิษฐานฝนเอหยชงตกมาเถิดเราอยู่ในที่ที่มุงบังดีแล้วเหมือนจิตเรานี่นะจิตเราฝึกดีแล้วนะกิเลสรั่วรถจิตเราไม่ได้ละฝนเลยตกเนื่อด้วยสัจจะสัจจกิริยาใครเคยทาสัจจกิริยาได้ผลบ้างมีไม มีผลจริงๆนะั้นถ้าเราเป็นคนมีศักด์ศักพระสุภูติเนี่ยเป็นเอต ท, ทัคขาทางอารณะออ่างรอเรือนอนเนรณะรนเคยได้ยินไหมรณรงค์รณะรบกับเขาอารณะไม่รบกับใครเวลาใครไปถามธรรมะท่านนะจะชวนให้ท่านตั้งประเด็นโต้เถียงถ้าไม่เถียงด้วย คนไปถามท่านว่าตายแล้วเกิดจริงหรือท่านบอกพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะอ้างพระพุทธเจ้าใครไปถามอะไรนะท่านอ้างพระเจ้าหมดเลยถ้าเถียงไปเถียงพระพุทธเจ้านะไม่มาเถียงกับท่านหรอกท่านเถียงด้วยไม่ได้ <c oughs> นะท่านอ้างพระพุทธเจ้าบอกท่านอย่างปทะกับคนอื่นเนี่ยบ่อยๆอยงค์นี้ไม่มีปทะเลยเราทําเป็นไหมยากไหย ยากนะท่านสร้างความคุ้นเคยอันนี้แสนกลับยังทําบันี้ได้ของเราแสนกลับที่ผ่านมาเนี่ยจะเอาชนะคนอื่นตลอดนะ <c oughs> มีความสุขไหมมีความสุขแล้วถ้าไม่รู้ทันนะราคาจะแทรกจะเพลิดเพลินพอใจใครเห็นว่ามีความสุขเมื่อกี้นี้ใครรู้สึกว่ามีความสุขไหมนึกย้อนหลังไปเมื่อกี้มีความสุขไหม ใครเห็นว่าเมื่อกี้มีราคาน้อยละเห็นความสุขแล้ ง, ง่ายกว่านะราคาละเอียดขึ้นไหมมัเกิดตามหลังความสุขมานี่ต่อไปนี้นะพวกเราพยายามรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะจิตใจมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันราคาเกิดขึ้นรู้ทันโทสะเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันเวลาฟุ้งซ่านมากๆผิดศีลข้อไหนได้บ้าง เพราสนี่ไปก่อนแล้วล่ะใชฟุ้งอยู่คนเดียวมันก็แปลกๆนะมันต้องพยายามคุยโน้นคุยนี้ไปฟุง้งถ้าเราใครรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตสีนัตโนมัติจะเกิดต่อไปเราจะมาฝึกสมาธิบทเรียนเรื่องศีนคือศีลสิกขาศีลสิกขาเรียนเรื่องศีนจะได้ดีถ้ามีสติรักษาจิตต่อไปเราจะมาฝึกให้ได้สมาธิ สมาี่มีสองอานอันหนึ่งจิตเข้าไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่จิตเพ่งอารมณ์อันเดียวเนีย อ, อารามณูปนิชฌานใช้ทำสมถะชนิดที่2จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเมื่อเช้าหลวงพ่อบอกแล้วนะจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเป็นของคู่กันไม่เกิดอันเดียวต้องเกิดคู่กันตลอดจิตคือตัว subjective อารมณ์เป็นตัว objective เกิดคู่กัน ถ้าสมาธิของเราไปสงบอยู่กับตัวอารมณ์เป็นสมาธิใช้ทาสมถะถ้าจิตตั้งมั่นสงบอยู่ที่ตัวเองไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนเป็นสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่สงบแต่ตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนไปเราต้องฝึกให้ได้สมาธิสองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าทำอย่างแรกไม่ได้ไม่เป็นไรมาฝึกอย่างที่สอง ทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาไปเรื่อยๆต่อไปการทำความสงบจะเป็นเรื่องง่ายจะทำง่ายให้ปัญญานำไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังนะไม่ยากนะจะทำได้สองอย่างก็ดีช่วงไหนกำลังของเราพอจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราเจริญปัญญาดูกายดูเวทนาความสุขทุกข์ดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วดูจิตใจ ที่วิงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดูได้เห็นไตรักของกายของใจได้เราเจริญปัญญาดูกายดูใจไปเลยใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูแต่ถ้าใจของเราไม่มีกําลังพอเราก็ทําสมาธิชนิดสงบพุโทโธพุโทโธนะน้อมจิตไปอยู่กับพุโทโธหายใจไปน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจให้จิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์พุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้พุโทโธเป็นอารมณ์ของจิต ลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลมหายใจเป็นอารมณ์ของจิตถทูท้องผองยุบก็ได้ท้องพองยุบก็เป็นอารมณ์ของจิตถ้าเราน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันใดหนึ่งได้นะเราได้สมถะได้สมาธิชนิดสงบแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้เราจะได้สมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนาเจริญปัญญาการจเจริญวิปัสสนานะีเหมือนการทงานวิจัย ใครเคยทำวิจัยภาคสนามบ้างไม่ใช่วิจัย l ิจาร a ์นะไม่ใช่วิจัยเอกสารเวลาเราวิจัยภาคสนามเราต้องไปมีตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างใช่ไมเราเข้าไปศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรไปดูของจริงการทำวิปัสสนาก็คือธรรมวิจัยใครเคยได้ยินคำว่าธรรมวิจัยบ้างอยู่ในโพชงนะมีสติมีธรรมวิจัยวิจัยธรรมะทตัวเป็นนักวิจัย ไม่แทรกแซงแต่เข้าไปดูว่าจริงๆเนี่ยกายเป็นยังไงจริงๆนะจิตใจเป็นยังไงก็จะเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงของจิตใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คิดเอาแต่เข้าไปดูของจริงจิตใจที่จะไปทํางานวิจัยได้ดีต้องไม่มีอคติไว้ก่อนถ้ามีอคติก่อนนะมันจะเริ่มมี bias มันจะเบี้ยวงานวิจัยจะเบี้ยวบิดเบือนข้อเท็จจริงลำเอียง ถ้าจิตใจของเราเป็นกลางจริงๆตั้งมั่นจริงๆเป็นคนดูได้จริงๆนะเราจะเห็นทุกอย่างตรงความจริงมากขึ้นอย่างเวลาเราดูบอลเวลาดูบอลโดยธรรมชาติเราต้องเชียข้างหนึ่งใช่ไหมเชียข้างใดข้างหนึ่งเราก็จะรู้สึกเข้าข้างโดยไม่รู้ตัวฝ่ายของเราเตะผิดนะก็ว่าโอ้ชั้นเชิงสูงแก้งเตะผิดนะอีกฝ่ายหนึ่งเตะถูกนะก็ว่วย แต่ถูกแต่ว่าไม่ตรงทิศทางอะไรเงี้ยนีมันมีอคติขึ้นมาหรือผู้พิพักษ า, าเป็นผู้พักษาต้องไม่มีอคติต้องดูข้อมูลของโจทย์ดูข้อมูลของจำเลยแฟกซ์ล้วนๆไม่มีอคติเนี่ยอย่างนี้จิตใจที่ไม่มีอคตินะถึงจะเรียนรู้ความจริงได้ดี นั่นก่อนที่เราจะไปทํำวิปั ส, สนาเราไปทํางานวิจัยวิจัยธรรมะวิจัยกายวิจัยใจของเราเราต้องไม่มียคติก่อนการฝึกจิตให้มันปราศจากคติก็คือฝึกจิตให้มีสมาธิชนิดที่สองนั่นเองจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงวิพาควิจารณ์ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจจิตเป็นคนดูกิเลส ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจจิตเป็นคนดูอยู่ AH grammar, no ulations, Careful, ในเฝ้าดูมันจะมีคนที่เป็นคนดูค็อจิตใจของเราเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่คนตัดสินไม่ใช่คนกําหนดกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่คนดูถ้าเรามาฝึกจนจิตเราเป็นคนดูได้แล้วดูว่าความจริงของกายเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นความจริงของกายถ้าจิตเราเป็นคนดูได้นะไปดูความจริงของจิตใจก็จะเห็นว่าความจริงของจิตใจเป็นอย่างไรนะจิตชนิดที่เป็นคนดูนี่ถึงสําคัญมาก ใช้ทำวิปัสสนาเป็นสมาธิชนิดที่คนไม่ค่อยรู้จักมีในศาสนาพุทธเท่านั้นในศาสนาอื่นไม่มีมีแต่สมาธิที่จิตไปนิ่งอยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นะระลึกถึงพระเจ้าจิตไปอยู่กับพระเจ้าจิตเคลื่อนไปพระเจ้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้พระเจ้าเป็นอารมณ์ของจิตนะมีแต่สมาธิอย่างนั้นทั่วโลกทั่วๆไปนี่ทําอย่างไรเป็นสมาธิมีสองอย่างเราจะฝึกอย่างไร วิธีที่จะฝึกสมาธิชนิดแรกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมจิตไม่สงบที่จิตไม่สงบนะเพราะจิตอยากได้ความสุขมันเริที่วิ่งไปดูเพื่อหาความสุขวิ่งไปฟังเพื่อหาความสุขวิ่งไปคิดเพื่อหาความสุขเวลาที่เราคิดเรื่องต่างๆเราอยากคิดแล้วให้มีทุกไหมเราไม่ได้อยากคิดให้มีทุกขนะเวลาเราไปดูหนังเราอยากดูให้เป็นทุกไหมหรืออยากดูให้เป็นสุข เวลาเราฟังเพลงเราอยากฟังให้เป็นทุกข์หรืออยากฟังให้เป็นสุขในความเป็นจริงนะ้จิตวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อหาความสุขแต่ความสุขนั้นเป็นของอาภัพหายากที่สุดเลยมีแป๊บๆ แ, แล้วก็หลุดมือหายไปตลอดเวลาไปดูหนังนึกว่ามีความสุขมีความสุขแป๊บเดียวนะใจก็เบื่อล้วใจก็ไม่สนุกละดูจบแล้วก็เบื่อละไม่ไม่อยากดู ใจไม่มีความสุขแล้วก็ต้องไปฟังเพลงไปร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนะอยากมีความสุขร้องไปร้องมาเสียงแหบเสียงแห้งต้องหาอะไรกินซะหน่อยชักหิวล้วถ้าได้กินแล้วจะมีความสุขกินอิม่มได้เที่ยวได้เล่นสะใจละเหนื่อยแล้วอยากนอนถ้าได้นอนนะจะมีความสุขเนี่ยเราเราวิ่งหาความสุขทั้งวันทั้งคืนนะในชีวิตเราเนี่ยเราวิ่งหาความสุขตลอดเลย ตอนเรียนหนังสือนึกออกไหมเคยคิดไหมว่าถ้าเรียนจบแล้วจะมีความสุขเรียนนี่ลําบากนะพอเรียนหนังสือจบแล้วมาทํางานรู้สึกแม่ทุกข์กว่าเก่าอีกคิดว่าออวันไหนรวยๆนะจะรีไทายจะรีไทายไปนั่งริมสะน้ําตกปลาเล่นให้สบายมีความสุขเน่ใจมันอยากหาความสุขนะมีเรื่องตลกมันมีแอดไวเซอร์คนจีเนส์ Genius มากเลย เป็นคนที่ฉลาดมากและเก่งทางเศรษฐศาสตร์เก่งเรื่องการลงทุนใครๆก็ชอบมาจ้างไปเป็นที่ปรึกษาจะลงทุนทําธุรกิจเนี่ต้องจ้างอิตาคนนี้ไปแต่คนนี้ทํางานซะรวยมากเลยส่วนแก่แก่แล้วรู้สึกเหนื่อยนะอยากพักผ่อนบ้างนะก็ไปอยู่รีสอร์ทริมทะเลอยู่รีสอร์ทริมทะเลนั้นก็เห็นชาวประมงคนหนึ่งมาอลอกหาปลานะ 2-3 มชั่วโมงมันกลับมาแล้วได้ปลามาสองสามตัวไปขายพอกินวันหนึ่งแล้วแกก็สงสารมันมันโง่นะไม่รู้จักธรรมากินเอาละเราจะสอนมันโดยที่ไม่เอาค่าตอบแทนนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่จะทำฐานนะแบบอกยูยูก็ออกเรือเนี่ยให้นานกว่านี้ยูจะได้ปลาเพิ่มขึ้นมอเอา้าได้ปลาเยอะเแล้วจะไปทำอะไรอะ่ะ มันพอกินแล้วได้ปลาออกไปแป๊บเดียวก็พอกินแล้วเุ้ยอยู่นโง่ถ้าอยู่ก็ได้ปลามากเอาไปขายนะรู้อยู่ก็จะรวยเอารวยแล้วทำอะไรอีกอะ่ะรวยแล้วเหรอไปซื้อเรือมาอีกมีสองลำนะไปจ้างคนมาต่อไปอยู่ไม่ต้องทำเลยนะี่ค่อยๆขยายไปเรื่อยนะจะมีกองทัพเรือไปจับปลานะตัวเองสบายเลยจะมีเงินเยอะแยะเลยํามแล้วจะทำอะไรอีกหลังจากมีเงินเยอะแยะ ตอนที่อยู่อายุมากนะอย่างไอเนียยังมีความสุขไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะมาอยู่ริมทะเลนั่งตกปลาเล่นพักผ่อนสบายใจ อ, อยู่เสนออะไรวะให้ไปทำงานแทบตายนะแล้วเพื่อจะมาพักผ่อนริมทะเลตอนเนี้ยพักอยู่แล้วตอนนี้ยาย้ได้พักผ่อนอยู่แล้วเพรสบายมากเลยอยู่ริมทะเลนะมีชีวิตที่สบายอยู่แล้วม่วมันตดนหลอกนะหลอกวนไปเรื่อยๆ คนในโลกมันก็โดนอย่างนั้นแหละเราเห็นว่าทำอย่างนี้จะสุขทำอย่างนี้จะสุขทำงี้จะสุขนะสุดท้ายหาไม่เจอสักทนะีสุดท้ายก็คือชีวิตที่ง่ายๆแหละสุขแล้วซิมเพลไลฟ์มีความสุขตรงที่จิตมันเที่ยวหาความสุขไม่เลิกนี่แหละมันเลยมีความทุกข์มันดิ้นพลานพลานพลานไม่สงบหรอกนะถ้าเรารู้เคล็ดลับตัวนี้นะว่าที่จิตไม่สงบเพราะจิตวิ่งหาความสุข ถ้าเราอยากให้จิตสงบนะเคล็ดลับก็มีนิดเดียวหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตจิตเหมือนเด็กทุกสนชอบวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้ชอบกินขนมนะเราหาขนมมาไว้ที่บ้านเด็กก็ไม่สนนานเดี๋ยวก็กลับมากินขนมอยู่ที่บ้านกินให้อิ่มๆเดี๋ยวก็หลับไปละหรือเด็กชอบเล่นเกมหาเกมมาให้มันเล่นมันก็ไม่ไปสนนอกบ้านมันก็อยู่กับเกมเคล็ดลับการทําสมถนะอยู่ตรงนี้เอง เราต้องเลือกอารมณ์ที่ว่าจิตของเราไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตเหมือนเด็กสุขสนถ้าจิตพอใจอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขเราดูท้องพองยุบไปะ อ, อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งหรือสวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดมนต์ไปแต่ต้องดูที่มันไม่ยัว่วกิเลสถ้าด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี้ยไม่เอาเพราะว่าจิตไม่สงบแน่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศล น, นะ อย่างพุโทโธพุธโทโนี่เป็นกุศลแ น, น่รู้ลมหายใจเนี่ไม่ไปล่าลานใครแน่ห า, ารมณ์ที่ดีห า, ารมณ์ที่มีความสุขพอจิตเราได้อารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะไม่วิ่งไปหาความสุขที่อื่นเนจิตจะไม่วิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์นัเดียวนี่คือเคล็ดลับของการทําสมถะการทําสมถะเพื่อให้จิตได้พักผ่อนนี่สมาธิชนิดที่2จิตตั้งมั่นเป็นคนดู เราต้องรู้หลักนิดหนึ่งคนดูเนี่ยมันต่างกับคนคิดผู้รู้ผู้คิดคนละคนกันขนาดใดที่เป็นผู้รู้ขนาดนั้นไม่ใช่ผู้คิดนึกปรุงแต่งแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขนาดใดเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันจะสลับกันถ้าเมื่อไรจิตเป็นผู้รู้ก็ไม่ไปฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งไปไม่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเอง นี่ถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะว่าถ้าเมื่อไร่คิดก็ไม่รู้เมื่อไหร่รู้ก็ไม่คิดแล้วอาศัยหลักตัวนี้แหละมาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดวิธีก็คือใช้สตินั่นแหละสติที่สอนให้เมื่อเช้าว่าคอยรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกับจิตการที่เราคอยรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตกิเลสครอบ ง, งําจิตไม่ได้เราจะได้ศีลอัตโนมัติและอินทรียสังวรศีลจะเกิด ตัวสมาธินี่เราก็ใช้สตินี่นแหละรู้ทันอะไรรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปนะจิตที่ฟุ้งไปคิดจิตชอบไหลไปจิตชอบไหลไปคิดถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้จะเกิดโดยอัตโนมัติแต่ว่าจิตคิดเนี่ยเกิดตลอดเวลาวันหนึ่งคิดตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนเรื่องคิดตลอดงั้นเรามีสติบ่อยๆจิตไหลไปคิดเรารู้แป๊บจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ เดี๋ยวก็ไหลไปคิดใหม่ไหลไปคิดใหม่เรามีสติรู้ทันใหม่จิตก็ตั้งมั่นขึ้นอีกชั่วขณะก็กลายไปว่าไหลเรารู้ไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกอย่างนี้ให้มากเลยนะไม่ต้องสนใจว่าจะฝึกไปถึงเมื่อไหร่ฝึกให้มากที่สุดจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ตรงที่จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยบางคนต้องมีเครื่องอยู่ประกอบเพราะว่าอยู่ๆจิตไหลไปแล้วจะรู้เนี่ยรู้ช้าหลงนานรู้สึกตัวแวบเดียวแล้วหลงยาวหลงตั้งวันก็มี เราก็ต้องมีเครื่องอยู่ของจิตเคยอยู่กับพุทธโธ ท, ทำให้จิตสงบอยู่กับพุทธโธเราปรับนิดเดียวเราก็ใช้พุทธโธใหม่แต่ว่าพุทธโธแล้วเราแทนที่จะให้จิตไปสงบที่พุทธโธนะเราพุทธโธแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหรือเราเคยรู้ลมหายใจแล้วน้อมจิตให้ไปสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะเราเปลี่ยนใหม่เรารู้ลมหายใจไปอย่างเดิมด้วยความสุขด้วยความสบาย พอเรารู้วลมหายใจแล้วพรอจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดหนึ่งจิตมันจะเลิกเลิกเคลื่อนมันจะตั้งขึ้นได้เองจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องทําให้จิตตั้งมั่นจิตจะตั้งของจิตเองถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้ว จิตจะเคลื่อนไปคิดนี่ประจำเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังอะไรพวกนี้ลองลงมาเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รสอะไรนี้น้อยลงมาน่เคลื่อนไปคิดน่เคลื่อนบ่อยงั้นเราหัดตรงที่จิตหนีไปคิดนี่ให้มากหัดพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดคอยรู้สวดมนไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นคอยรู้การที่เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติ ถ้าได้จิตตั้งมั่นก็เป็นคนดูได้นี่เราได้สมาธิแล้วเมื่อเช้าสอนเรื่องศีล น, นะมีสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตเราจะมีศีลช่วงสายนี่หลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิสองแบบสมาธิอย่างที่หนึ่งเพื่อให้จิตได้พักผ่อนมีความสุขเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็ไปอยู่กับพุโทโธหายใจแล้วมีความสุขไปอยู่กับลมหายใจ สมาธิอย่างที่สองแล้วก็ใช้พุทโธใช้ลมหายใจอย่างเดิมใช้กรรมฐานเดิมแล้แต่แทนที่จะไปให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นๆให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจก็รู้ตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนั้นมีแต่เรื่องอันตโนมัติไปหมดเลยเห็นไหมศีนอัตโนมัติเนี่ยรู้ทันกิเลสได้สีนอัตตนมัิ รู้ทานจิต ท, ที่ไหลไปได้สมาธิอัตโนมัตนะิมีแต่ของง่ายๆยไม่ยากหรอกนะค่อยๆฝึกหลวงพ่อได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมได้ฝึกจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอ ย, นยจิตไหลไปแล้วรู้ ร, รู้รู้เลยนะแ ต, แต่เดิมใช้ทำลมหายใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแลเดินปัญญาไม่เป็น เลยไปต่อไม่ได้จะมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนเดินปัญญาเราเรียนไปสองบทเรียนแล้วนะวันนี้พอหรือยังหนักไปไหมมีเหลือบทเรียนอีกอันหนึ่งคือปัญญาสิกขาจะเรียนหร้ยังหรือจะเรียนพรุ่งนี้ถามเสียงส่วนใหญ่นะเอาใครจะเรียนวันนี้ยกมือโมมีเท่านี้ใครจะเรียนพรุ่งนี้ยกมื อ, อ, อนึกว่าจะ <laughs> กลายเป็นฟังเลคเชอร์ยาวไปมั่ง จะจำไหวเหรอเอาง่ายๆสรุปง่ายๆก่อนนะถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นเราจะได้ศีลถ้าเราต้องการให้ใจสงบนะเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธหายใจแล้วมีความสุขเอาจิตไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขเอาจิตไปอยู่ที่ท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วก็สบายอยู่ที่เดียวไม่หนีไปไหนได้สมถะ สมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็ทำกรรมฐานเหมือนเดิมแหละพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูพองยุบก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนไปไม่ได้น้อมจิตให้เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้าน้อมจิตให้เคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเป็นการทำสมถะแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจะได้สมาธิอย่างที่สองคือจิตตั้งมั่นตัวนี้ต้องฝึกให้ชนานาญนะถ้าไม่ชนานาญเจริญปัญญาไม่ได้ สมัยก่อนครูบาอาจารย์เรียกจิตที่ตั้งมั่นว่าจิตผู้รู้สมัยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เมื่อสัก30ปีก่อนเข้วัดไหนท่านก็พูดแต่คําว่าผู้รู้ผู้รู้บางองค์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยเพราะจิตของเราตั้งมั่นเป็นคนดูคราวนี้มาถึงขั้นเจริญปัญญาบทเรียนสุดท้ายนะ้วการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา จนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีการเจริญปัญญานะคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเรานึกว่าเป็นตัวเราก็คือกายกับใจคือขันหานี้แหละจนเห็นว่าตัวเราไม่มีถ้าเรามีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนั่นคือพระโสดาบันถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายนี้ใจนี้ลึกซึ้งต่อไปอีก ก็จะเห็นว่านอกจากตัวเราไม่มีแล้วสิ่งที่มีนะั้นคือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นได้อย่างนี้จิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกเป็นพระอรหรันตะ์เพราะฉะั้นตั้งแต่พระโสดาบันยันพระอรหันต์นี่มีแต่เรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนี้ทั้งสิ้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยเฉนั้นนั่งสมาธินิ่ ง, งๆเฉยๆไม่ได้ดูกายดูใจทํางานนะไม่มีทางบรรลุเลยกระทั่งโสดาบัน นั่งสมาธิให้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีทางบรรลุหรอกกี่สิบปีก็ไม่บรรลุกี่กลับก็ไม่บรรลุหรอกเพราะว่ามันพักผ่อนเฉยๆงั้นพอเรามาฝึกจนกระทั่งจิตเราไหลเรารู้จิตไหลเรารู้เนี่ยจิตจะตื่นขห้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติพอเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกลงในร่างกายนะมันจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอร่างกายเป็นแค่วัตถุ อย่างพวกเราขณะนี้นั่งอยู่เรารู้สึกในร่างกายอย่างสบายๆเห็นไหมร่างกายมันนั่งเอาทุกคนยิ้มยิ้มสนะิรู้สึกไหมร่างกายยิม้มนะตรงที่เรารู้สึกเนะี่ยใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สนะึกจิตทำหน้าที่รู้สึกเวลาหาวรู้สึกไหมบางคนหาวบางคนเการ่างกายมันหาวร่างกายมันเกาจิตเป็นคนรู้สึก เห็นไหมเ้าพยักหน้าอีกแล้วจิตเป็นคนรู้สึกเราขยับมือสิขยับมือเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้สึกทําได้ไหมไปกันใหญ่ละ <c oughs> หัวเราะรู้สึกไหมเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายหัวเราะไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยเราคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะพอเรารู้ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกัน ร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายยิ้มจิตเป็นคนดูคาว่าดูคือรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกจิตไม่ได้มีตาจิตก็แค่รู้สึกเอาเนี่ยพยักหน้าเห็นเรารู้สึกเอาราร่างกายพยักหน้าแต่เดิมเวลาพยักหน้าเราถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราพยักหน้าแต่ค่อยๆฝึกไปนะถ้าจิตตั้งมั่นจะพบว่า ร่างกายต่างหากพยักหน้าจิตเป็นแค่คนดูว่าร่างกายพยักหน้าการเจริญปัญญาเนะี่ยจะเริ่มต้นด้วยการแยกธาตุแยกขันคือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเนนะมื่อเช้าอันแรกเลยที่พูดถึงเหมือนถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆนนะถ้าจิตเราตั้งมั่นได้เราถึงจะแยกตัวเป็นส่วนๆได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมีสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่ ไ, มได้นะจะแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ เลื่อเาอมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยๆรู้สึกลงไปร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของที่ถูกรู้ถูกดู bla. ต่อไปไม่จะเห็นร่างกายหายใจออกก็เป็นของถูกดูร่างกายหายใจเข้าก็ถูกรู้ถูกดูถูกรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกว่าร่างกายกําลังหายใจออกจิตเป็นคนรู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้สึกว่าร่างกายยิ้มร่างกายพยักหน้าเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆเมื่อรู้สึกเรื่อยๆอย่างนี้นะต่อไปกายกับจิตนี เราจะเห็นชัดว่าเป็นคนละอันกันร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนดูจะเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นเหมือนมีช่องว่างมาคั้นไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่เนื้อเดียวกันนะคนละอันกันพอแยกได้อย่างนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วจิตไปรู้เข้าเนี่ยเป็นของที่แปรปรวนตลอดเวลาหายใจออกแล้วก็หายใจเข้านั่งแล้วก็เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นอนนะหมุนไปเรื่อย เป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวก็คันต้องเกานะเดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้หายใจออกก็ทุกข์นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นหายใจเข้าหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์ก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นหายใจออกเอาเราจะลองเรียนเรื่องความทุกข์ในกาย เราหายใจเข้าอย่าหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆดูสิจะทุกข์หรือสุขเราต้องหายใจออกนั่นะพอหายใจเข้านะั้นเราก็ทุกข์นะเราหายใจออกเพื่อจะแก้ทุกข์นะหายใจออกไปเรื่อยๆก็จะทุกข์อีกเราก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์อีกเรานั่งนิ่งๆนานๆก็ไม่ได้ต้องขยับตัวเพื่อแก้ทุกข์อีกร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไป หรือจะดูในมุมของอนัตตาร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะหมุนเวียนไปเรื่อยเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุธาตุผมก็เป็นแค่วัตถุธาตุขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกก็เป็นแค่วัตถุธาตุร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เอาวัตถุมาประกอบกันมีจิตมาอาศัยอยู่ก็สพสำคัญมั่นหมายว่านี่คนนี่สัตว์นี่หมานี่แมวนี่ตัวเรานี่ตัวเขาขึ้นมาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถ้าจิตตั้งมั่นเราดูลงในกายไปได้บางคนเห็นกายเป็นอนิจจังมีแต่ความแปรรวปบางคนเห็นกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์บางคนเห็นว่ากายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยรับบังคับไม่ได้จริง อย่างห้ามแก่ห้ามไม่ได้ห้ามเจ็บห้ามไม่ได้ห้ามตายห้ามไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูของจริงลงไปได้ยสุดท้ายก็จะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเวลาดูจิตใจเราดูต่างกับดูกายดูกายเราดูลงปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยสดสดร้อนร้อนเลยดูจิตใจนะั้นเราดูเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันให้มันโกรธก่อนเรารู้ว่าโกรธให้มันโลภก่อนเรารู้ว่าโลภแต่ต้องรู้ในะ ถ้าเมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้นะนานไปต้องแบบโกรธสดๆร้อนๆเลยโนะกรธโกรธโกรธอยู่แล้วมาปิ้งขึ้นมาเฮ้ยโกรธอยู่นี่อย่างนี้ถึงจะใช้ได้เรียกว่าเป็นปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันเลยติดกับปัจจุบันตามดูแบบติดๆเลยเห็นหางมันไหวๆเลยนะนั้นเวลาดูจิตนี่ไม่เหมือนดูกายดูกายเนี่ยดูเข้าไปตรงๆได้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูได้แต่ดูจิตเนี่ย คืนไปดูตรงๆจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างไปหมดเลยนะดูจิตเนี่ยต้องดูตามหลังมันแต่ตามหลังแบบสดสด ร, ร้อนๆเมื่อตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกิเลสเกิดขึ้นที่จิตอันนี้เราฝึกมาตั้งแต่ขั้นมีศีลแล้วนะหลวงพ่อถือว่าจะมาเรียนขั้นปัญญาแสดงว่าขั้นต้นนั้นทาได้แล้วนะเพราะนั้นถ้ากิเลสเกิดที่จิตเรารู้ทันเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเราฝึกมีสตินะ แต่ถ้าเราจะฝึกถึงขั้นเจริญปัญญากิเลสเกิดเรามีสติรู้ปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าเออเมื่อกี้ไม่มีกิเลสตอนนี้มีกิเลสจิตนี้ไม่เที่ยงอันนี้พูดเป็นภาษาคนนะมันเหมือนกับคิดเอาแต่ว่าจริงๆต้องไปเห็นเอาต้องไปรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอาเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้ความสุขหายไปความสุขไม่เที่ยงเม่กี้มีความทุกข์ตอนนี้ความทุกข์ลดลงหรือความทุกข์แรงขึ้นแสดงว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะ ถ้ดูลงไปในกายในจิตใจของเราเนี่ยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่ดีก็ไม่เที่ยงจิตที่โลภจิตที่โกรธที่หลงก็ไม่เที่ยงนะให้มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ไปเสร็จแล้วมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาจิตนี้มันไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจริงไหมอันนี้ทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองไม่ใช่รู้ไม่ได้นะ ทุกคนรู้หมดเลยโกรธเป็นไงก็รู้ใช่ไหมโลคเป็นไงก็รู้ฟุง้งซ่านหดหูเป็นยังไงก็รู้เซ็งเป็นยังไงก็รู้เซ็งกับขี้เกียจเหมือนกันไหมเหมือนไหมเซ็งกับขี้เกียจไม่เหมือนแต่บรรยายยากใช่ไหมหดหูกับท้อแท้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะดีกรีมันไม่เหมือนกันแต่ให้อธิบายอธิบายยากนะพวกเรารู้สภาวะของจิตใจเนี่ยรู้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วทุกอย่าง เราลาเลยที่จะรู้เท่านั้นเองต่อไปนี้นะความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันกุศลเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วต่อไปนี้รู้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยเราจะเห็นเลยว่ามันเมื่อมันเกิดมาแล้วมันอยู่ไม่นานมันก็หายไปอย่างความสุขนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างบางทีหลวงพ่อเล่าอะไรให้มีความสุขพอมีความสุขแล้วหลวงพ่อถามว่าเห็นไหมว่ามีความสุข พเราเรารู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมแล้วเราก็สังเกตอยู่แป๊บเดียวความสุขเีจะลดระดับลงมาเป็นอุเบกขานึกออกไหมเนี่ยความสุขไม่เที่ยงให้ดูต่อหน้าต่อตานี่แหละการที่จะเจริญปัญญาคือการดูไตรลักษ์นะไม่ใช่ดูตัวมันไม่ใช่ดูแค่ว่าความโกรธกําลังเกิดความโลภกําลังเกิดแต่ดูเพื่อให้เห็นว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงความโลภก็ไม่เที่ยงความโกรธก็บังคับไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะโกรธเลยมันโกรธได้เองความรัก เขไม่ได้เจตนาให้รักเลยมันรักได้เองบางคนบอกไม่รู้ว่าเริ่มรักเมื่อไหร่นใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างเวลามีใครมาจีบเราสักคนะเราก็ไม่ชอบหน้ามันเลยนะเพิ่อแป๊บเดียวไปแต่งงานกับเขาลแล้วใครมาถามไม่รู้ว่าไปรักตั้งแต่เมื่อไหร่นะไอ้นั่นไม่รู้รักหรือหลงเนาะไม่รู้เลยนะงั้นคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันความรู้สึกของเราเองทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเอง ความรู้สึกในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนตามการกระทบเมื่อตามันเห็นรูปความรู้สึกก็เปลี่ยนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเราก็รู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็เห็นว่าเมื่อกี้ไม่มีความสุขตอนนี้มีความสุขนะเมื่อกี้มีความทุกข์ตอนนี้ไม่มีความทุกข์หรือเมื่อกี้สุขตอนนี้เฉยนะจากเฉยเมื่อกี้เฉยตอนนี้ทุกข์เนี่ยจะเห็นอย่างนี้เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เมื่อกี้เฉยๆตอนนี้โกรธล้วเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้ดีใจะเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราดูไปด้วยนะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราเนี่ยดูจิตดูใจก็ดูกับอย่างนี้นะไม่ใช่เอาละต่อไปนี้ดูจิตจะไม่นั่งจ้องไหนไหนไหนอยู่ไหนอยไหนไหนหาไม่เจอเลยเอาจิตไปหาจิตหาไม่เจอหรอกหลวงปูด่ดูลย์เกศสอนะเอาจิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอ นี่เนเรียนทีเดียวจบเลยแต่ยังไม่หมดนะยังเหลือวิมุตตอีกอันหนึ่ง <laughs> หากเจริญปัญญาเรื่อยไปนะจะเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันชาตินี้อย่างต่ำที่สุดต้องเป็นพระโสดาบันนะอย่างต่ำที่สุดถ้าขยันภาวนาถูกต้องทาถูกแล้วก็ขยันมันก็ได้มากกว่านั้นไม่ได้ยากเกินไปน ะ, ะต่อไปส่งกันบ้านค่ะ <laughs> พอหลังจากกดแล้วก so sort of ็ฟุ้งเต็มที่แล้วก็เห็นจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ลงไปให้ค่ามันเจ้าค่ะเห็นไหมว่าขันมันแยกกันเห็นเจ้าค่ะเห็นไหมขันมันทํางานได้เองเห็นเจ้าค่ะเออเห็นแล้วก็เห็นไปเรื่อยจุดอ่อนคือจิตไม่ตั้งมั่นเจ้าค่ะเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นอริยมรรคยังไม่เกิดเจ้าค่ะเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นจิตต้องทรงสัมมาสมาธิสมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะตั้งในระดับฌานเจ้าค่ะ ฌานนี้เกิดได้ทั้งสองที่นะไปเกิดตัวที่จิตไหลไปเกาะอารมณ์ก็เกิดฌานหนึ่งถึงแปดได้จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตก็เกิดฌานหนึ่งถึงแปดได้นะของผมรู้สึกว่าฟุ้งน้อยลงจากวันแรกๆครับแล้วก็พอที่จะภาวนาเห็นจิตที่มันแยกออกมาจากกายได้บ้างบางครั้งดีดีแล้วก็รู้สึกว่าเห็นเกิดดับเนืองๆครับจุดอ่อนของคารวัตนะสมาธิไม่ค่อยพอ งั้นต้องฝึกนะฝึกแบบทุกวันทําในรูปแบบจิตไหลไปแล้วรู้พุโทโธพุโทโธจิตไหลแล้วรู้เนี่ยฝึกนี้ให้เยอะเลยจะได้มีแรงผมผมจะมีโอกาสมากับหลวงพ่ออีกคงยังไม่ค่อยมีโอกาสแล้วครับก็อยากจะกลับเรียนขอเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าจะกลับไปทําที่บ้านยังไงดีครับไปฟังซีเดียวมีทุกคําตอบเลยมีทุกคําถาม <c oughs> มีคําตอบสําหรับทุกคําถามครับขอบพระคุณครับอยู่ที่วินัยในตัวเองนะ เป็นทหารทั้งทีแล้วมีวินัยเป็นนักปฏิบัติก็เหมือนนักรบนะนักปฏิบัติที่จะเอามากักเอาผลจะข้ามพบข้ามชาติให้ได้เหมือนนักรบอยู่ในสมรภูมิเลยท้อแท้ไม่ได้อ่อนแอไม่ได้แต่เหนื่อยได้เหนื่อยก็พักกลับมาแนวหลังมาพักก่อนที่พักก็คือทําความสงบมีกําลังแล้วกลับไปสู้อีกไม่ถอยนะต้องสู้เอามันเหมือนเข้าสนามรบจริงๆถ้าจะข้าม พบข้ามชาติสู้กับกิเลสสนุกใครรู้สึกว่าสู้กิเลสสนุกบ้างยกเหมือนซิมีไหมมีประมาณสิบเอร์เซใช้ได้ใครรู้สึกว่าการสู้กิเลสเป็นงานที่น่าเหนื่อยหน่ายท้อแท้มีไหมใช้ไม่ได้ <laughs> จะสู้กับข้าศึกกลัวมันซะแล้ว <laughs> เมื่อก่อนมีคนเขียนสามารถขีเพศคํำฉันอยู่ในชิดบรุทรทัศตเขียนเขียนเก่งบอกกลอนกากากระหวาดขมังธนูโบหอนจะเห็นทวัตทิปูศรริลาถอยฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยบอกเหมือนอีกาที่ขี้ขลาดนะไม่ทันจะเห็นธนูก็ถอยแล้นักรบที่ขี้ขลาดเนี่ยไม่ทันจะเห็นธงรบของข้าสึกก็ถอยละเหมือนอีกาที่ไม่เห็นธนูก็กลัว ท่านว่าอย่างนี้งั้นจะสู้กับกิเลสต้องกล้าหาญนะแพ้ได้ไหมได้ต้องแพ้ต้องล้มลุกคลุกคลานแต่ล้มลุกคลุกคลานก็ไม่เลิกนะต้องกลับมาสู้กับมันใหม่ต้องสู้กับมันเหมือนโจนโจนจันตะคุบใช่ไหมต้นราชวงศ์ของพระเจ้าอาโศกเป็นเป็นโจนนะต้นราชวงศ์รวมกําลังคนนะเข้าตีเมืองหลวงรบทีไรแพ้ทุกทีเลย แพ้แตกยับเยินเลยนะแล้วหนีเอาตัวรอดกระเซาอรกระเซิงไปแล้วไม่เลิกนะไปรวมพลมาตีอีกก็แพ้อีกอะ่ะวันหนึ่งแพ้กระเซาอรกระเซิงไปอยู่ใต้ถุนบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ททำขนมให้ลูกกินนมเบื้องลูกมันมาถึงนะก็คว้าแล้วก็กัดเข้าไปตรงกลางเลยร้อนร้องจากได้นมาจนทระกุบอยู่ข้างล่างจันทระกุบ แม่ก็ด่าลูกสาวโง่โง่เหมือนโจนจันทรคุบต์ทำไมไม่กินริมริมเข้ามาก่อนริมริมมันเย็นนะกินง่ายเออเนี่ยจันทรคุบได้ยินนะปิ๊งเลยตีบ้านนอกก่อนตีล้อมล้อมล้อมล้อมนะก็มายึดเมืองหลวงได้สู้กิเลสนะแพ้ได้นะล้มลุกคลุกคลานได้แต่ต้องไม่เลิกนะต้องเอาอย่างโจนจันทรคุบนะแต่อย่าเซอร์ไปตีก็บอวิชา นั่นมันเมืองหลวงสู้กิเลสเล็กกิเลสน้อยที่มันมีจริงๆของเราก่อนนะที่สู้ได้ราคะเกิดรู้ทันมันจะทําให้เราผิดศีลแล้วเราไม่ทำเนะีย่ยสู้กิเลสอย่างนี้ก่อนนะก็กำลังของเรามากเข้ามากเข้าวันนึงก็เข้ามาพิชิตทําลายล้างอาวิชชาในจิตเลยนะทำลายเมืองหลวงมันงั้นเวลาทําสงครามตนะ้องเป็นขั้นเป็นตอนสู้กิเลสก็เป็นขั้นเป็นตอนตอนหลวงพ่อออกไปหาครูบาอาจารย์ใหม่ๆไปกับเพื่อนคนหนึง เขไปถามหลวงธธุู่เทศหลวงปู่ครับผมจะละร า, าคาผมจะทําไงดีจิตอะไรวอนหลวงปู่บอกว่าอะไรวอนก็ละไม่ได้นะต้องเห็นทุกข์เห็นโทษอันนั้นถามข้ามขั้นที่จริงควรจะถามว่าทําไงผมจะละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เอาตรงนี้ก่อนละกามนะมันขั้นผ่านอนาคาโสดายังไม่ได้เลยนะข้ามขั้นหรือมาถามว่าจะละอาวิชา ย, ยังไงยิ่งไปกันใหญ่เลยอวิชานั้นเอาไว้ให้พระ อนาคาที่จะขึ้นผ้าละหันเขาละไม่ใช่หน้าที่ของเราชกให้ถูกคู่ชกนะของเราตอนนี้ชกกับความเห็นผิดว่ามีตัวเราดูร่างกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเราบังคับมันไม่ได้หรอกสั่งมันไม่ได้หรอกดูอย่างนี้ไปเรื่อยเร่นี่ว่าชกถูกคู่ชกและ้ะไม่ขํารุ่นนะขํารุ่นไปไม่รอดหรอกอ้าว่ามานมัสการครับอืก็เมื่อวานนะครับรู้สึกว่าจะเห็น สภาวะได้มากที่สุดในบรรดาวตั้งแต่อยู่วัดมาแต่ว่าบางครั้งมันจะมันเบาบ้างแต่บางครั้งก็จะหนักๆนะครับเอห้ามมันไม่ได้นะมันหนักมันเบาเราก็ดูไปดูอย่างที่มันเป็นอย่าไปเกลียดมันเห็นไหมมันเป็นได้เองมันหนักของมันเองมันเบาของมันเองเราห้ามมันไม่ได้นะเนืเฝ้าดูไปนะจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบานี่เห็นอนิจจัง เห็นว่าจะหนักหรือเบาเราเลือกไม่ได้นี่เห็นอนัตตานะเท่าดูอย่างนี้ค่ะวันที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะว่ากลัวความมืดกลัวมากค่ะช่วงนั้นจะเห็นสภาวะได้ค่อนข้างชัดแล้วหลังจากนั้นพอมันเริ่มชินแล้วหนูก็เลยไปฟงซ่านแทนค่ะคราวนี้เราไม่ไม่กลัวความมืดมากแล้วแต่ไปฟงซ่านอย่างอื่นแทนค่ะคะนั่นแหละกลัวไว้บ้างก็ดีนะ เราไม่กลัวมันซ่านะถ้ากลัวแล้วมันหายซ่าเดี๋ยวคอยดูค่อยระวังคอยชินแล้วมันก็ไม่ไม่กลัววัดหลวงพ่อไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกตุ๊กแกกลัวทําไมเอผีกลัวมันทําไมเราก็มีผีอยู่ในนี้ด้วยมีอยู่ตัวหนึ่งนะไปไหนก็เอาไปด้วยกลัวอะไรอีกวัดหลวงพ่อนะั้นอย่างมากก็ตุ๊กแกไม่น่ากลัวอะไรไม่เคยกัดใครหรอก อย่มากก็เกาะคอมันตกลงมามันต้องหาที่เกาะมันตกใจไม่น่ากลัวแล้วก็มีงูจงอางบ้างจงอางก็ไม่น่ากลัวมันเจอเรามันก็หนีนะเอผีที่ไหนมันก็มีบ้านเราก็มีที่ไหนก็ทั่วๆไปแล้วกลัวอะไรกลัวความมืดกลัวความมืดค่ะกลัวผีค่ะกลัวผีกลัวเทวดากลัวทําไมเทวดาอ พวกเรามาอยู่วัดนะมันมีคอนฟ FLICT มากเลยกลัวตุ๊กแกอย่างเดียวไม่เป็นไรกลัวผีอย่างเดียวไม่เป็นไรถ้ากลัวทั้งผีทั้งตุ๊กแกเนี่ยไม่มีทางเลือกของชีวิตเหลือเลยพอกลัวผีก็เปิดไฟใช่ไหมเปิดไฟแมลงก็มาตุ๊กแกก็มาเ อ, อพอปิดไฟนะตุ๊กแกไปผีมันจะมาอีกแล้วรู้สึกชีวิตเนีนะ้ไม่มีทางเลือกเลยเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าจะกลัวนะกลัวอย่างเดียวนะ <c oughs> ให้ทางเลือกกับชีวิตบ้าง ก็จะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคะอ่ะอมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เข้าใจเห็นทางไปมากขึ้นชัดขึ้นนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสร้างวัดนะ<ข> อ, อ, อ ะ, ะหลวงพ่อไม่ได้สร้างเอง <c oughs> พวกเราได้แหละบริจาค ก, กันช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลรักษานะก็เป็นบุญกราบขอขอมาในกำลังเกินพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อด้วยนะคะเออนะทงเป็นสุข จเจริญในธรรมมันขอจริงๆนะขอจริงๆอย่างนี้ดีบางคนมันขอเป็นวรีไพเรจใจมันไม่ขอใช้ไม่ได้อย่างนี้ขอจริงๆมีผลหมดเวลาแล้วละใครมาจากที่แสนไกลอ่ะให้หน่อยกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะมเมื่อไม่ได้มาส่งกันบ้านหลายเดือนเจ้าค่ะ ประมาณหกเจ็ดเดือนตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วมีสภาวะมีอารมณ์เบื่อทางโลกมากเลยมากไม่เคยเป็นนัคแต่ตอนนี้ก็ตามดูตามรู้อยู่เป็นอยู่สองสัปดาห์ต่อมาก็ก็ดู ร, รู้รู้ไปดูไปว่าเพราะอะไรพิจารณาพอดีไปเห็นว่าเอ๊ะทางเราไม่ใช่เราเคยเบื่อแล้วเราอยากจะไปที่อื่น เราอยากจะไปบวชที่เราอยากจะไปปฏิบัติธรรมเราอยากได้ธรรมะแต่คราวนี้ไม่ใช่เจ้ะคราวนี้ไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่มันเบื่อมากมนั่นแหละมันเบื่อจริงหงเนี้ยเบื่อมากมเลยเบื่ออย่างนี้ถึงจะเป็นนิพพิทานะถ้าเบื่อบ้านอยากบวชชีไม่ใช่นิพพิทานั้นโทสะอันนี้ก็มาเห็นตรงนี้เดือนสัปดาห์ที่สองค่ะมาเห็นตรงนี้เจ้าค่ะก็เลยว่าเออเราเราเราเราเราเราเบื่อจริงเราเบื่อยังไงนาะทําไมมันมากมายอย่างนี้ แต่ก็ไม่คิดจะหนีออกจากโลกแต่ก็เห็นโลกมันน่าเบื่อไม่มีไม่มีการสารสาระอะไรเลยตัวนี้ก็มีอีกสภาวะหนึ่งเจ้าค่ะก็วันหนึ่ ง, เ, นนงเมื่ อ, เ ม, อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยค่ะก็ตื่นขึ้นมาก็เปิดประตูครัวจะออกไปแล้วก็ทําปกตินคะคะก็ไปเห็นที่โต๊ะอาหารหลานเขาเล่นเล่นไอ้มั ก, กรูดดีดิบไว้ค่ะเขาก็เล่นบ้านอะไรแล้วก็คุณแม่เขาไม่ได้เก็บปกติเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรเลิะเทอรเนี่ยเราจะ สมัยก่อนนี้ไม่พอใจรู้ไม่ทานก็โบนแต่ต่อมาก็ดีขึ้นรู้ทานมีสติรู้ทนันก็ไม่บนก็ทาอย่างดีแต่คราวนี้ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเจค่ะคราวนี้พอตากระทบรูปเห็นจานที่เลอะเทอะไปด้วยของเล่นเด็กเนี่ยจิตเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าไม่พอใจแต่มีความรู้สึกว่ามันอึ๊บเดียวไม่รู้อะไรแต่อึ๊บเดียวแล้วก็เอื้อมือ ขณะที่เอื้อมมือไปก็รู้สึกอยู่แล้วเพราะว่ามีสติอยู่ในอิรยาบถสติประธานสี่อยู่แล้วฝึกอยู่เอื้อมมือไปรูปอย่างดีแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะทำไมกับมีความเข้าใจว่านี่สติมาทำหน้าที่หรือไงสิบเลยก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่โกรธไม่อะไรไม่มีความคือขณะนั้นความคิดปรุงแต่งไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีความคิดใดๆแต่อึ๊บเดียวแป๊บเดียวเจ้าค่ะ ก, ก็ก็หายไปเลยแล้วก็ทำปกติต่อเนื่องไปเลย ก, ก็ก็ก็กลับเรียนให้หลวงพ่อทราบตรงนี้ว่าไม่เคยเป็นทั้งสองสภาวะ น, นี้เจ้าค่ะสภาวะแรกก็ดีนะสภาวะหลังก็ดีไปทำอีกทำถูกแล้วเจ้าค่ะครับขอพระคุณเจ้าค่ะไปดูนะว่าตัวตนยังมีไหมเวลาเผลอๆมันรู้สึกมีเราไหมแต่มันยืนยืนอยู่ข้างในไม่มี ม, มันเวลาเรารู้สึกเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยตัวยืนอยู่ข้างในเนี่ยเป็นตัวรู้ที่ทไม่มีแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเผลอสติแต่เรารู้ทันปุ๊บอย่างเลยตรงที่รู้ปุ๊บนั่นดีนะแต่ถ้าตรงที่มีตัวหนึ่งคงที่อยู่ข้างในตัวนี้ไม่ดีตัวนี้เที่ยงะนะต้องปล่อยตัวนี้ด้วยแล้วดูว่า<ช><ม>ยังมีเราเหลืออยู่ไหมนะถ้าไม่มีก็ใช้ได้คือเวลารู้เนี่ยก็จะ อย่างเราเห็นหรื อ, อเห็นกับผู้เพื่อนฝูงหรือเพื่อนๆ เ, เนี่ยเราก็รู้ค่ ะ, ะเราก็รู้ตั ว, ตวนี้นิ่งอยู่ไหมก็ไม่นิ่งค่ะก็กระดับค่ะเจ้าค่ะขณะนี้มีการตรึงตัวใดตัวหนึ่งไว้ไหมขณะนี้ขณะนี้ก็ไม่ไม่มีเจ้าค่ะก็ปกติะคะ่ะปกติเป็นอย่างนี้เลยหรือปกติก็เห็นเป็นสภาวะมาไม่แม้ขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันตรงตร ง, ตรง ตรต ร, ตรนีู้้สึกไม้มตอนนี้ไม่ได้รวบไว้บางขณะรวบเอาไว้บางขณะปล่อยออเอนี่ย <ทะ S 2> ดูตัวนี้ไม่เที่ยงถ้าตัวนี้เที่ยงนะยังไม่ดีถ้าเราเห็นว่ากระทั่งตัวนี้ยตัวดูเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะอันนี้ดีมากเลยอันนี้อันนี้ก็เห็นความไม่เที่ยงเกิดดับของ ค, อคือคือเห็นในแง่อนาตามากแล้ว การเรียนตรงไว้เอ๊ะทำไมเราเราไับรู้สักหนอยงเกตไหมอ๊คนดูก็ไม่ใช่เราถ้าเห็นไอ้คนดูก็ไม่ใช่เรานะภาวนาดีนะแต่ว่ามันไปติดประคองอยู่นิดเดียวแหละขอบพระคุณถ้าปล่อยได้แล้วก็ไปริ้วเลยจ้าค่ะขอบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่ให้คําแนะนำจ้าค่ะก็จะขอภาวนาไปจนกว่าชีวิตจะมาให้ยังได้การเรียนหลวงพ่อไว้เลยหมดธนานะสังเกตไหมขณะนี้มีการ มีตัวนิ่งอยู่ไหมก็อาจจะมีเล็กน้อยอะดูออกไหมแต่ว่ามันมันตื่นเต้นนะคะนั่นแหลนั่นแหละมันตื่นเต้นมันก็ไปรวบไปที่ภรวนาตอนนี้ดีมากๆเลยนะมัวแต่กลัวหลวงพ่อเลยเออเร่อไปไม่ใช่ของจริงใช่ได้ใช่ได้แล้วนะเก่งแบบเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่ออย่างที่สุดชีวิตเลยค่ะจนตายเลยค่ะ เพราะนาดีเชลยโยมดีกว่าทุกครั้งนะดีกว่าทุกทีที่ทำาอเอาเชิญกลับบ้านไป